จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบอยสัตว์อุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ธรรมทุกๆท่ทานวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่31มตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสาเป็นวันพระเป็นวันธรรมัสวนาวันฟังธรรม วันชำระกายวาจาใจให้สะอาดเพราะกายวาจาใจของพวกเราก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ถ้าเรามีเสื้อผ้าที่สะอาดไว้สวมใส่เราก็จะมีความสุขมีความสบายถ้าเราสวมเสื้อผ้าที่สกปรกเราก็จะรู้สึกไม่สบาย ไม่มีความสุขกายวาจาใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้ากายวาจาใจของเราไม่สะอาดเราก็จะมีความรู้สึกไม่สบายมีความทุกข์มีความวิตกมีความกมังวลมีความวุ่นวายใจมีความเศร้าหมองพระพุทธเจ้าจึงทรงกำหนดอวันพระ ไว้ให้ญาติโยมจะได้มีเวลาปลีกออกจากภารกิจการงานต่างๆที่จำเป็นต่อการทองชีพแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถทำให้ใจนั้นกายวาจาใจนั้นเบิกเบื่อโสกโวกได้จึงควรจะมีวันหยุดสักหนึ่งวัน เพื่อจะได้มาชำระกายวาจาใจให้สะอาดเหมือนกับเรามีวันหยุดไว้สาหรับซักเสื้อผ้าเพราะการชำระกายวาจาใจให้สะอาดนั้นจะนำความสุขมาให้แก่ใจแก่ตัวเราใจถ้าไม่มีความสะอาดแล้วจะมีความรู้สึก ไม่สบายใจมีความเศร้าหมองมีความวุ่นวายมีความสับสน ม, มีความหิวมีความอยากเราจึงควรให้ความสนใจต่อการชำระกายวาจาใจด้วยการมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมเพราะการฟังเทศฟังธรรมนั้น เป็นสิ่งที่สําคัญต่อการชําระกายวาจาใจถ้าเราไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมเราจะอาจจะไม่เห็นความสําคัญของการรักษาของการชําระกายวาจาใจของเราให้สะอาดดังนั้นเราจึงควรฟังเทศฟังธรรมอยู่เสมอ เพื่อที่เราจะได้รู้จักวิธีของการชำระซักฟอกกายวาจาใจให้สะอาดเพื่อจะได้นำความสุขและความเจริญมาให้แก่ชีวิตจิตใจของเราสิ่งที่ทำให้ใจของเราไม่สะอาดทางกายนั้นก็มีอยู่3ประการด้วยกันคือ1ด การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์และการประพุ้นผิดประเวณีนี่เป็นการกระทำทางกายที่จะนำความเปิดเปื้อนมาให้สู่กายและใจส่วนการกระทำทางวาจาที่จะทำให้ใจเปืดอนเปื้อนนั้นก็คือการพูดตัวหนึงการพูดคำหยาหนึ่ง การพูดเพ้อเจ้อหนึ่งการพูดส่อเสียดหนึ่งการพูดส่อเสียดนี้ไม่ได้หมายความว่าเสียดสีแต่เป็นการพูดให้เกิดความแตกสามัคคีทำให้เกิดการทะเลาะวิวาททาให้เกิดความไม่สงบเช่นในปัจจุบันนี้เราจะได้ยินคนในบ้านในเบืองพูดส่อเสียดกันอยู่เรื่อย ทำให้เกิดการทะเลาะบอกแวงกันทำให้เกิดการแตกแยกทำให้เกิดความวุ่นวายในบ้านในเมืองเพราะไม่คอยชำระความสกปรกคือการพูดส่อสเสียด น, นี้นั่นเองส่วนความสโปรกหรือความตปิดเปื้อนของใจก็ได้แก่ความโลภความโกรธความหลงที่จะ คอยสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจสร้างความเศร้าหมองให้แก่จิตใจทำให้จิตใจไม่มีความสุขมีความเบิกบานสดชื่นถึงแม้จะมีเงินทองมากกองเท่าภูเขาหรือมีตำแหน่งสูงก็จะยังไม่สามารถที่จะมีความสุขใจได้ ถ้าไม่ชาระความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางลงไปและหมดไปในที่สุดนี่คือความไม่สะอาดของกายวาจาใจที่เรามาชำระกันความไม่สะอาดทางกายคือการฆ่าสัตว์นี้เราก็ต้องใช้การรักษาศีลเป็นพื้นฐาน คือเราต้องละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทรัพย์และละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีอาการที่เราจะสามารถรักษาหรือชำระความสะพกทั้งสามสว่วนนี้ให้หมดสิ้นไปได้งั้นเราต้องไปแท้ที่ใจของเราเพราะใจของเรานั้นขาดความเมตตา ความเมตตานี้ก็คือความปรารถนาดีต่อผู้อื่นความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขความปรารถนาให้ผู้อื่นหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายถ้าเรามีความเมตตาแล้วเราก็จะไม่กล้าที่จะทําลายทําร้ายผู้อื่นทําลายชีวิตของผู้อื่นเพราะเรา มีแต่ความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื่นนั่นเองเราจึงควรที่จะเจริญเมตตาทำอยู่เรื่อยๆขอให้เราฝึกซ้อมอยู่เรื่อยๆคิดถึงความสุขของผู้อื่นว่าเป็นความสุขของเราเพราะการละการที่เราให้ความสุขแก่ผู้อื่นนั้น ความสุขนั้นจะกลับมาหาเราเวลาเราได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ให้อภัยผู้อื่นใจของเราจะเย็นจะมีความสุขตรงกันข้ามกับเวลาที่เราเบียดเบียนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทใจของเราจะร้อนขึ้นมาเป็นนรกเป็นไฟนรกทันที ใจของเรานี้แหละที่เป็นเทพหรือเป็นมารที่เป็นนรกหรือเป็นสวรรค์ขึ้นอยู่กับคุณธรรมที่มีอยู่ภายในใจถ้าเรามีคุณธรรมเช่นเมตตาธรรมอยู่ภายในใจใจของเราจะเย็นจะสุขจะสบายแต่ถ้าใจของเราขาดความเมตตา ใจของเราจะร้อนขึ้นมาเป็นฝืนเป็นไฟกลายเป็นนรกไปคำว่าสวรรค์และนรกนไม่ได้เป็นสถานที่แต่เป็นสภาพจิตใจของพวกเราเป็นสถานภาพของจิตใจถ้าใจเย็นใจสุขใจสบายนั่นเรียกว่าสวรรค์ถ้าใจร้อนใจทุกข์ใจวุ่นวายเรียกว่านรก ดังที่สุภาษิต ท, ที่พูดไว้ว่านรกอยู่ในอกสวรรค์อยู่ในใจไม่ได้อยู่ที่ไหนเกิดจากการที่เรามีความเมตตาหรือไร้ความเมตตาถ้าเราไร้ความเมตตาใจของเราก็จะมีความโหดเหี่ยมทารุณเห็นแก่ตัวคิดร้ายต่อผู้อื่นถ้าเรามีความเมตตา ใจของเราก็จะไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นไม่มีความโหดร้ายทารุณมีแต่ความปรารถนาดีต่อผู้อื่นขอให้เราพยายามฝึกการแผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆไม่เฉพาะเวลาที่เราสวดมนต์ไหว้พระตอนนั้นแต่ควรจะแผ่ทุกครั้งที่เราพบปะ กับคนต่างๆกับมนุษย์หรือแม้กระทั่งสัตว์เดร้ัชานขอให้เราแผ่เมตตาอยู่เสมอเพราะการแผ่เมตตาที่แท้จริงนั้นต้องแผ่ในขณะที่เราอยู่ในเหตุการณ์อยู่เวลาเราเจอใครเราพยายามยิ้มทักทายเขาด้วยอธัธยาศัยไมตรอที่ดี ยกเว้นว่าผู้ที่เราแผ่เมตตาให้นั้นเขาไม่ยินดีรับเราก็ต้องทำใจให้เป็นอุบเบกขาคือทำใจให้เฉยเฉยไม่ไ ม, ไม่ไม่คิดดีไม่คิดร้ายสักแต่ว่ารับรู้เขาเจอกันก็ก็ต่างคนต่างอยู่กัน ถ้าไม่ได้แผ่เมตตาก็อย่าไปแผ่ความคิดร้ายคือความคิดร้ายต่อผู้อื่นนะให้เราทำใจให้เป็นเหมือนรถที่เข้าเกียร์ว่างคือไม่เดินหน้าและไม่ถอยหลังเดินหน้าก็คือความเมตตาถอยหลังก็คือความไม่เมตตาก็ให้เราอยู่กลางๆเฉยๆถ้าเขาไม่ยินดีที่จะ ต้อนรับเราเช่นเราทักทายเขายิ้มแย้มกับเขาเขาทำหน้าตาบึ้งตึงเราก็อย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดอย่าไปโมโหเขาเราต้องทำใจเฉยๆไว้คิดเสียว่าวันนี้เขาอารมณ์ไม่ดีก็ได้หรือว่าวันนี้เขาอะไเขายังโกรธเขายังเกลียดเราอยู่แต่ถ้าเราแผ่เมตตาให้เขาไปเรื่อยๆ ต่อไปความโกรธความเปลี่ยนนี้ก็จะหายไปเองเวลาที่ใครเขาทำให้เราโกรธทำให้เราเสียใจเราก็ต้องระงับความโกรธความเสียใจอย่าใช้อารมณ์คือความโกรธนี้มาเป็นเครื่องมือเพราะจะทำให้เรามีความทุกข์ใจเวลาเราโกรธนั้น เราจะมีความรุ่มร้อนภายในจิตใจและเราจะคิดร้ายต่อผู้อื่นเราอยากเราทุกคนอยากเป็นคนดีอยากเป็นพระอยากเป็นเทพกันถ้าเราอยากจะเป็นคนดีเป็นพระเป็นเทพเราก็ต้องระรับความโกรธความเกลียดความโมโหโทโสให้ได้ เพราะไม่เช่นนั้นแล้วเราจะกลายเป็นยักษ์เป็นมารไปขอให้เรามองที่ใจของเราเป็นหลักอย่าไปมองที่คนที่เขาทำให้เราโกรธเวลาใครก็ทำให้เราโกรธนั้นขอให้เราคิดว่าเป็นเรื่องสุดวิสัยก็แล้วกันบางทีอยู่ด้วยกันก็อาจจะมีการผิดพลาด มีการกระทบกระทั่งกันได้เหมือนลิ้นกับฟันบางทีลิ้นยังลิ้นยังถูกฟันกัดได้ทั้งที่ไม่มีเราไม่อยากจะให้ลิ้นกัดฟันฟันกัดลิ้นเพราะมันเจ็บแต่บางครั้งมันก็เกิดได้ฉนันใดเราอยู่ร่วมกันเราก็ไม่อยากจะมีเรื่องมีราวกันแต่บางครั้งมันก็เกิดขึ้นได้วิธีที่เราจะ ป้องกันไม่ให้ปัญหานี้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาก็คือเราต้องให้อภัยกันต่อกันและกันไม่ถือโทษเกิดเคืองถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่อาจจะมีการผิดพลาดเกิดขึ้นได้หรืออาจจะเป็นเพราะจิตใจของพวกเรานั้นยังมีกิเลส มีความโลกความโกรธความหลมอยู่และเรายังไม่มีเบรกคือธรรมะที่จะมาเบรกใจของเราได้เราก็อาจจะระบายออกไปบ้างพูดไม่ดีบ้างทำไม่ดีบ้างถ้าเรามีสติพอที่จะยับยั้งได้ก็ขอให้เรายับยั้งความโกรธความอาฆาตพยาบาท ขอให้เราสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าการจองเวรจองกรรมกันนั้นไม่ได้นำความสงบสุขมาให้แก่เราและผู้อื่นแต่จะนำแต่ความเดือดร้อนความเสียหายให้แก่ผู้อื่นและตัวเราอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่าเวรย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรแต่เวรย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวร เวลาที่เราโกรธใครแล้วเราไม่จองเวรเขาเรื่องมันก็จะจบตรงนั้นเช่นใครทําให้เราโกรธแล้วเราไม่ไปตอบโต้เราให้อาภัยเขาเรื่องก็จะไม่มีต่อมาแต่ถ้าเรายับยั้งใจของเราไม่ได้แล้วเราไปตอบโต้เขาทําร้ายเราเราก็ทําร้ายเขา พอเราไปทําร้ายเขาแล้วเขาก็ก็จะกลับมาทําร้ายเราเพิ่มขึ้นอีกเราก็จะกลับไปทําร้ายเขาเพิ่มขึ้นอีกก็จะเป็นเหมือนน้ำพึ่งหยดเดียวที่นําไปสู่การท่ากันได้ในที่สุดดังนั้นขอให้เราคิดถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นตามมาถ้าเราไม่รู้จักให้อภัยไม่จองเวร แต่ถ้าเราให้อภัยเราไม่จองเวรแล้วเรื่องก็จะสง บ, บทันทีเขาพูดเขาทำอะไรเสร็จแล้วมันก็ผ่านไปแล้วเขาก็ไปทางของเขาเราก็ไปทางของเราไม่เป็นไรหรือให้คิดว่าถ้าเขาด่าเราก็ให้คิดว่าดีที่เขายังไม่ตีเราถ้าเขาตีเราก็ให้คิดว่าดีที่เขายังไม่ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเรา ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เราทุกคนเกิดมานั้นไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายกันความตายนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายหรือเรื่องอันตรายแต่อย่างใดแต่การทำบาป ท, ทำกรรมต่างหาที่จะเป็นอันตรายต่อจิตใจของเราเช่นถ้าเขาทาเขาพูดไม่ดีเราไปตีเขา พอเขาตีเราเราก็ไปฆ่าเขาอย่างนี้เราทําบาปบาปนี้จะทําให้เราต้องไปตกนรกหรือไปเกิดในอบายต่อไปและในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราก็จะอยู่อย่างทุกข์ทรมานใจถ้าเราไม่ถูกจับไปลงโทษเราก็ต้องอยู่แบบหลบหลบซ่อนๆ อ, อยู่ด้วยความหวาดกลัวแต่ถ้าเรา ไม่ไปทำอะไรเขาเราให้อาภัยเขาเราก็จะได้ไม่ต้องไปเจอกับเรื่องราวเหล่านี้ที่จะตามมาขอให้คิดอย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วเราจะรักษาความเป็นคนดีของเราได้เราจะรักษาสวรรค์สุขติไว้ในใจของเราได้เพราะใจของเราจะยังเป็นมนุษย์อยู่ ยังเป็นเทพยอยู่เวลาตายไปใจของเราก็ไม่ต้องไปใช้เวรใช้กรรมในอบายจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยหรือจะได้ไปเกิดเป็นเทพก่อนแล้วค่อยกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือเรื่องที่เราควรที่จะคำหนึง่งควรจะชั่งน้ำหนักให้รู้ว่าการทำอะไรตามความโกรธลางนั้น อาจจะมีความสุขในขณะที่เราทำหรือระบายความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราแต่เราจะต้องรับกับข้อกรรมต่างๆที่จะตามมาต่อไปที่ละที่ร้ายแรงกว่าความทุกข์ที่เกิดจากความโกรธในขณะนั้นให้คิดอย่างนี้แล้วชีวิตของเราจะมีแต่จ ะ, จะเจริญขึ้นไปตามลำดับจะไม่เสื่อมลง เพราะการมีความเมตตานี้จะช่วยประคับประคองคอยผลักดันให้ใจเราพัฒนาสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ความขาดความเมตตาคือความโกรธความเปลียดความอาฆาตปริบารนี้จะฉุดลากให้เราตกลงไปต่ำไปเรื่อยๆดังนั้นเราจึงควรที่จะ มีความเมตตาพยายามเจริญแผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆเวลาแผ่เมตตาอย่าไปหวังผลตอบแทนจากผู้รักอย่าไปเหมือนกับเวลาเราทำบุญเวลาเราทำบุญนี้เราไม่ต้องการสิ่งตอบแทนจากที่ผู้ที่เราให้ของเขาไปเราให้เพราะเราอยากจะสร้างไมตรีจิตเราต้องการแสดงให้เขารู้ว่าเรา ไม่คิดร้ายต่อเขาเรามีความปรารถนาดีต่อเขาส่วนเขาจะคิดอย่างไรนั้นไม่ใช่เรื่องของเราเขาจะคิดร้ายกับเราเระแวงสงสัยว่าเราต้องการอะไรจากเขาหรือเปล่านั่นก็เรื่องของเขาเขาจะยินดีหรือไม่ก็เรื่องของเขาแต่การกระทาของเรานี้จะทำให้เรามีความสุข และจะทําให้เราไม่มีศัตรูคนที่มีความเมตตานั้นจะไม่เป็นศัตรูของใครนี่คือความสําคัญของการชำระกายของเราด้วยความเมตตาและได้ด้วยการรักษาศีลถ้าเรายังไม่มีความเมตตามากพออย่างน้อยก็ขอให้เรารักษาศีลสามข้อนี้ให้ได้คือไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทัพย์และไม่ประพฤติผิดปนะเวณีขอให้เราเชื่อเชื่อเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อว่าถ้าทำบาปแล้วเราก็ต้องไปใช้บาปใช้กรรมต่อไปถ้าเราทำบุญเราก็ไม่ต้องไปใช้บาปใช้กรรมนี่คือการชำระกายของเราด้วยศีลและด้วยความเมตตาเช่นเดียวกับการชำระวาจาของเรา ก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องรักษาศีลคือเราต้องไม่พูดปดต้องไม่พูดคําหยาบไม่พูดเคเจและไม่พูดส่อเสียเพราะการพูดเหล่านี้เป็นการสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นและตัวเราคําพูดเหล่านี้ไม่ได้ทําให้เราสูงขึ้นดีขึ้นแต่จะทําให้เราต่ําลงเล็วลง เวลาเราได้ยินคนพูดปดหรือพูดคำหยาบเรามักจะไม่ชอบเรามักจะรังเกียจเพราะเป็นเหมือนขยะนั่นเองเป็นเหมือนสิ่งสกปรกที่ออกมาจากทางปากสกปรกยิ่งกว่ากิ่นปากเสียอีกกิ่นปากนี่เรายัางล้างได้ด้วยด้วยการแปรงฟันด้วยการใช้ยาบ้วนปากแต่ คำพูดที่ไม่ดีนี้เราล้างไม่ได้เราต้องอาศัยการป้องกันคือเราต้องรักษาสีต้องมีสติคอยเฝ้าดูคำพูดของเราอยู่ทุกขณะว่าเรากำลังจะพูดอะไรก่อนที่เราจะพูดนี้เราต้องคิดก่อนถ้าเรามีสติเราจะรู้ว่าเรากำลังจะพูดดีหรือพูดไม่ดีถ้าเรามีสติเราจะรู้ เวลาที่เรามีอารมณ์ดีเราก็จะพูดดีเวลาที่เรามีอารมณ์ไม่ดีเราก็จะพูดไม่ดีจากนั้นเวลาที่เรามีอารมณ์ไม่ดีเราอยากไปพูดอะไรกับใครปิดปากไว้ก่อนหาพัสเตอร์มาปิดปากไว้ก็ได้บอกว่าตอนนี้ไม่เหมาะสมกับการพูด เพราะสิ่งที่พูดออกมานั้นจะสร้างความเสียหายมากกว่าสร้างประโยชน์รอให้เราสบายใจสันซก่อนให้อารมณ์ของเราดีเสียก่อนแล้วค่อยพูดเพราะว่าเวลาที่เรามีอารมณ์ดีเราจะพูดดีเวลาที่เรามีอารมณ์ไม่ดีเราจะพูดไม่ดีดังนั้นเช่นเวลาเราโกรธมากๆอย่างนี้ อย่าไปพูดกับใครพยายามปลีกตัวไปทำใจัดใจให้สงบก่อนวิธีทำจิตใจให้สงบก็ถ้าเราสวดมนต์เป็นก็ให้สวดมนต์ไปภายในใจอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธสวดไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหายโกรธใจจะสบายแล้วค่อยออกมาพบปะกับผู้คนหรือว่าถ้าเรายังปลีกตัวไม่ได้ ก็ขอให้เราสวดมนต์ไปภายในใจแล้วอย่าไปคิดถึงเรื่องหรือคิดถึงคนที่ทำให้เราโกรธสวดไปเรื่อยสวดพุโทโธคำเดียวก็ได้พุโทโธพุธโทโธพุธโทพธโธไปสวดบทอาหังสัมมาสวาคาโตสุปตุปโนไปก็ได้เพราะการสวดนี้จะขับไล่ความโกรธให้หายไปได้ ความโกรธนี่เกิดจากความคิดของเราคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธคิดถึงคนที่ทำให้เราโกรธพอเรามาสวมดมนต์เราก็ไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องเรื่องนั้นได้พอสวดไปนานๆเข้าอารมณ์ที่อารมณ์ที่เกิดจากความคิดนั้นก็จะดับไปหายไปพอเราอารมณ์ดีแล้วเราก็จะรู้สึกเฉยๆเวลาเราเห็นคน ที่เขาทำอะไรให้เราโกรธเราจะมีสติเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เขาพูดมันก็ผ่านไปแล้วสิ่งที่เขาทำมันก็ผ่านไปแล้วเราย้อนกลับไปไม่ได้แต่เราสามารถที่จะย้อนใจของเราให้กลับไปอยู่ในสภาพตอนที่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ได้เช่นตอนที่ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ใจของเราก็เป็นปกติไม่โกรธไม่ ไม่โกรธไม่ทุกข์ไม่เสียใจพอเขาพูดหรือเขาทำอะไรปั๊บใจของเราก็เกิดความเกิดเกิดความทุกข์เกิดความเสียใจขึ้นมาเราก็ย้อนกลับไปสู่สภาพที่ยังไม่โกรธไม่ทุกข์ไม่เสียใจได้ด้วยการสวดมนต์ไปภายในใจหรือด้วยการบรรกรรมพุทธโธพุทธโธไปอย่าไปมองอย่าไปคิดถึงเรื่องของ นคนที่ทําให้เราโกรธไม่นานใจของเราก็จะกลับเป็นปกติพอกลับเป็นปกติแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนกับสิ่งที่เขาพูดหรือสิ่งที่เขาทําไปเราก็จะให้อภัยเขาได้เราก็จะไม่ต้องไปสร้างเวรสร้างกรรมต่อกันดังนั้นขอให้เรามีสติดูใจของเราว่าเรากําลังจะพูดอะไรเรากําลังจะพูดโกรธเราก็ควรจะหยุด ถ้าเราจะพูดเพ้อเจ้อคำว่าเพ้อเจ้อนี่ก็พูดเรื่องไร้าสาระเรื่องที่ไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้เงินได้ทองไม่ได้ธรรมะเวลาจะพูดก็ให้พูดแต่เรื่องที่จะทําให้เราฉลาดขึ้นมีความรู้มากขึ้นอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นประโยชน์ถ้าพูดเรื่องนินทาคนนั้นคนนี้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้ อย่าพูดไปให้เสียเวลาเปลปาๆไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่จะกลับทําให้เราเป็นเสียคนได้เพราะคนที่เขาได้ยินเขาก็อาจจะคิดว่าต่อหน้าเราเราก็พูดกันเรื่องของคนอื่นแต่พอต่อหน้าคนอื่นเราก็จะมาพูดเรื่องของเราก็ได้เพราะมันจะเป็นนิสัยของคนที่ชอบว่าคนอื่นเวลาอยู่ต่อหน้าใครก็จะไม่ว่าเขาแต่พอรับหลังเขาไปอยู่ต่อหน้าคนอื่น ก็จะไปว่าเขาได้ถ้าเราพูดอย่างนี้แล้วเราก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีใครไว้ใจดังนั้นขอให้เราอย่าพูดเรื่องไร้สาระอย่าพูดและก็อย่าพูดคำหยาบเพราะคำหยาบนี้เป็นคำที่แสดงถึงความต่ำต้อยของเราคนที่พูดความหยาบนี้แสดงว่าไม่มีสติปัญญา พอที่จะควบคุมคำพูดของตนเองให้เรียบร้อยให้สุภาพได้คนที่พูดคำเรียบร้อยได้นีความสุภาพได้นี้แสดงว่าเป็นคนที่มีมีสติปัญญาที่สูงสามารถควบคุมอารมณ์ของเขาได้เพราะคำพูดอยางนี้มักจะออกมาในช่วงเวลาที่มีความโลภโมโทสั์ เวลามีความโลภอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ก็เกิดความโกรธขึ้นมาก็จะพูดคาหยาบออกมาได้ดา่าผู้อื่นได้แต่ถ้ามีสติคอยคุมคอยเฝ้าดูคาพูดของตนก็จะไม่ปล่อยให้คาพูดเหล่านี้ออกมาแล้วเราก็จะได้ไม่เสียใจในภายหลังเพราะเวลาเราพูดไปแล้วนั้นคาพูดจะเป็นเจ้านายของเรา ตอนที่เราจะพูดดีเราเป็นเจ้านายของเราแต่พอเราพูดแล้วคำพูดนี้จะเป็นเจ้านายคือจะเป็นตัวที่จะบอกว่าเราดีหรือไม่ดีคนอื่นเวลาเขาจะให้คะแนนเราหรือเขาจะดูว่าเราเป็นคนดีหรือไม่เขาก็ดูที่คําพูดของเรานี่เองถ้าเราพูดคําจริงเราพูดคําสุภาพ เราพูดสิ่งที่มีประโยชน์เราพูดเพื่อให้สังคมหรือผู้นั้นรักสามัคคีกันคาพูดของเรานี้ก็จะมีน้ำหนักจ ะ, สะแสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนที่มีจิตใจที่สูงมีจิตใจที่มีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันดังนั้นขอให้เรา คอยเฝ้าดูใจของเราว่าตอนนี้ใจของเราดีหรือไม่ดีก่อนที่เราจะพูดอะไรแล้วออกไปแล้วต้องถามตัวเองว่าสิ่งที่เราพูดนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นคำหยาบหรือไม่เป็นสาระหรือไม่ทำให้เกิดความแตกแยกหรือไม่ถ้าเป็นก็อย่าไปพูดจะดีกว่า เพรพูดไปแล้วจะไม่เกิดประโยชน์จะเกิดโทษทั้งกับผู้ที่ได้ยินและผู้ที่ ผ, ทผู้ที่พูดด้วยนี่คือการชำระวาจาของเราให้สะอาดด้วยการรักษาศีลเือรไม่พูดปดไม่เส็งไม่พูดปดไม่พูดสอดเสียงไม่พูดคำหยาไม่พูดเพ้อเจ้แล้วก็ให้มีสติดูใจของเรา เพราะความการจะพูดได้นี้ต้องใจต้องคิดก่อนดูว่าใจจะคิดดีหรือคิดไม่ดีมีอารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดีส่วนเรื่องความไม่สะอาดของทางใจนี้ก็มีอยู่สามประการคือความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจของเราพวกเราทุกคนนี้ยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่เพราะเราขาดธรรมะ เราไม่มีปัญญาที่จะมาสอนใจให้ฉลาดให้รู้ทันความหลงความหลงนี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้เราเกิดความโลภและความโลภนี้ก็ทำให้เป็นเหตุให้เราเกิดความโกรธเวลาเราโลภอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้ดังใจเราก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาดังนั้นเราต้องมาแก้ ปัญหาของความโลภและความโกรธที่ความหลงความหลงนี้ก็คือความเห็นไม่ตรงกับความจริงเช่นเห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ให้ความสุขกับเราความจริงสิ่งต่างๆในโลกนี้ให้ความสุขกับเราเพียงนิดเดียวแต่ให้ความทุกข์มากกว่าหลายร้อยเท่าด้วยกันเป็นเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเด็เหยื่อนี้มีเพียง ชิ้นเล็กๆท่า น, นั้นเองเวลาปลากินเข้าไปแล้วนั้นไม่อิ่มท้องหรอกแต่ตะขอที่มันไปเกี่ยวคอมปลาเนี่ยทำให้ปลาตายได้หรือถูกเขาจับไปฆ่าได้ฉันใดความสุขต่างๆที่เราแสวงหากันในโลกนี้เช่นความสุขจากลาบยศสระเสริญหรือความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์นั้น ก็มีความทุกข์ตามมาพวกเราทุกวันนี้ทุกข์กับทุกข์กับเรื่องรากกันไม่ใช่หรือพวกเราอยากมีเงินมีทองกันแต่เราก็ต้องทุกข์กับมันทุกเพราะเราอยากจะได้มากๆต่อให้เราได้มากเพียงไรเราก็ยังจะรู้สึกว่าไม่พอแล้วเมื่อเรามีแล้วเราก็ต้องทุกข์กับการคอยดูแลรักษาเวลาเราสูญเสียเงินทองไป หมดเนื้อหมดตัวไปเราก็จะต้องทุกทรมานใจแต่คนที่เขาไม่ไม่ติดกับเงนินกับทองเช่นนักบวชพระภิกษุนี้ท่านไม่ได้อยู่ไม่ต้องมีเงนินมีทองท่านก็อยู่ได้ขอให้ท่านมีเพียงปัจจัยสี่ก็พอแล้วผีข้าวกินมีที่อยู่อาศัยมีจีวรไม่นุ่งผมมียารักษาโรคก็ไม่จาเป็นจะต้องมีเงนิน ก็อยู่ได้เพราะว่าของที่เราจะเอาไปเอาเงินทองไปซื้อนี่ส่วนใหญ่ยกเว้นปัจจัยสีนะ่นั้นมันไม่จําเป็นมันเป็นเหมือนยาเสพติดซื้อถ้าเราไปติดแล้วเราก็ต้องซื้ออยู่เรื่อยๆ เ, เราชอบกินชอบดื่มอะไรเราก็ต้องกินต้องดื่มอยู่เรื่อยๆวันไหนไม่ได้กินไม่ได้ดื่มเราก็จะเป็นเหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดจะต้องทุกทรมานใจ แต่คนที่ไม่ติดเขาก็ไม่เดือดร้อนเช่นนักบวชนี้ท่านก็ฉันมือเดียวฉันตามมีตามเกิดได้อะไรมาก็ฉันไปพอฉันเสร็จแล้วก็ถือว่าเรื่องกินก็หมดปัญหาไปส่วนเรื่องดื่มก็ดืด่มแต่น้ำเปล่าไปก็พอสำหรับร่างกายอยู่แบบนี้สบายกว่าเพราะใจไม่ต้องกังวลกังวายต้องคอยไปหา สิ่งต่างๆมาคอยบังลุ่มบังเลอะอยู่เรื่อยเวลาได้มาก็ดีใจเดี๋ยวเดียวมีความสุขเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวไม่นานก็อยากจะได้อีกแล้วแล้วเวลาไม่ได้ก็เกิดความโกรธเกิดความเสียใจแล้วก็ทำให้เราต้องไปพูดหรือไปทำสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เสียหายตามมาต่อไปดังนั้นขอให้เราเชื่อข้าพเจ้าเถิดว่า สิ่งต่างๆในโลกนี้นั้นไม่ใช่เป็นความสุขทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นความทุกข์ความสุขที่แท้จริงนี้มีอยู่ที่เดียวก็คืออยู่ในใจของเราอยู่ในใจที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี้ถ้าจใ์ไม่หลงแล้วใจก็จะไม่โลภไม่อยากได้อะไรเมื่อไม่อยากได้อะไรก็จะไม่เสียใจไม่ผิดหวังก็จะไม่โกรธใครก็จะอยู่อย่างสบายอยู่อย่างมีความสุข ดังนั้นขอให้เราพิจารณาให้เห็นถึงความทุกข์ทั้งหลายที่มีในสิ่งต่างๆอย่าไปเห็นเพียงแต่ความสุขเล็กๆน้อยๆที่เป็นเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดถ้าเราไปติดในลาบยศสรรเสริญในสุขทางตาหูจมูกดิ้นกายแล้วเราก็จะเป็นเหมือนปลาที่ติดเบ็ดเราก็จะต้องมีสิ่งเหล่า น, นี้มาคอยบำรุงบำเรล อ, อยู่เรื่อยๆ เวลาใดที่เราขาดสิ่งเหล่านี้ไปเราก็จะทุกข์ทรมานใจจนอาจจะอยู่ต่อไปไม่ได้คนที่ฆ่าตัวตายก็เพราะเขาขาดสิ่งเหล่านี้นั่นเองเขาเคยมีราบยศสารเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่พอเขาต้องสูญเสียราบยศสารเสริญหรือไม่สามารถหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เขาก็ไม่อยากจะอยู่ต่อไปเช่นคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บ ไม่สามารถที่จะออกไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเขาก็จะไม่อยากจะอยู่เขาก็จะคิดฆ่าตัวตายแต่คนที่ไม่ติดกับรูปเสียงกลิ่นรสเขาก็ไม่เดือดร้อนเจ็บคข้ได้ป่วยนอนอยู่บนเตียงก็แสนจะสบายเพราะใจของเขาไม่ทุกนั่นเองทุกแต่เพียงร่างกายเท่านั้นเองแต่ใจเขาไม่ทุกเขาทนกับสภาพของความทุกข์ของร่างกายได้ เขาทนกับความที่ไม่ได้ออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้เพราะเขาไม่ติดท่านเองเพราะเขารู้มาก่อนแล้วว่ามันเป็นความทุกข์นี่คือการแก้ความหลงขอให้เราพยายามมองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขถ้าไม่เช่นนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็จะไม่สามารถที่จะสละราชสมบัติและออกบวช และได้พบกับความสุขที่แท้จริงได้พวกเราก็เช่นเดียวกันถ้าพวกเรามองว่าทุกสิ่งูุอย่างเป็นความทุกข์พวกเราสักวันหนึ่งก็อาจจะมีโอกาสได้ออกบวชนได้ออกไปปฏิบัติธรรมและได้พบกับความสุขที่แท้จริงได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาโวกทั้งหลายเริ่มต้นด้วยการที่เรามาชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาด ด้วยการฝังเทศฟังธรรมด้วยการรักษาศีลด้วยการแผ่เมตตาและด้วยการเจริญสติให้ดูความคิดของเราให้ดูการพูดของเราให้ดูการกระทาของเราอย่างสม่าเสมอแล้วชีวิตจิตใจของเราก็จะสะอาดขึ้นมีความสุขมากขึ้นและจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ในที่สุด จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดในวันพระเพื่อมาชำระกายวาจาใจให้สาอานี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิณิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยึดติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนกรัย